โจนสอบเข้าในสังคมปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นอนาคตของตนเองเพราะการศึกษาในวิชาการด้านต่างๆจะนำชีวิตของคนที่ศึกษาดีมานั้นไปสู่ในจุดหมายที่ตนเองตั้งความหวังไว้ในงานด้านต่างๆด้วยอาศัยการศึกษาและมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ หน่วยงานได้กำหนดว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สามารถที่จะมาสมัครสอบเข้ารับงานราชการงานบริษัทหรือการเลือกตั้งจากประชาชนหมายถึงสอบเข้าได้โดยประชาชนเป็นคนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนในทุกระดับและองค์กรต่างๆเมื่อคนเรามี คุณสมบัติพร้อมก็ทยอยเข้าไปแสดงเจตจำนงในการขอสมัครงานและมีคุณสมบัติถูกต้องก็ได้สมัครและดําเนินการสอบตามขั้นตอนที่กําหนดคนไปเป็นข้าราชการก็สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์หรือมีภาคปฏบิบัติบ้างเป็นบางงานงานเอกชนบริษัทต่างๆก็สอบสัมภาษณ์ หรืออาจจะสอบข้อเขียนด้วยและที่สำคัญต้องมีประสบการณ์ในงานที่ตนเองสมัครส่วนนักการเมืองก็สอบโดยประชาชนเป็นผู้ออกข้อสอบให้และก็ตรวจข้อสอบเองโดยประชาชนเสียงส่วนมากเป็นผู้ลงมติว่าควรจะให้ใครเป็นคนผ่านการคัดจากประชาชนก็หมายถึงคนนั้นได้เป็นตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อทุกคนสอบได้สมความปรารถนาแล้วก็ดีอกดีใจว่าได้มีงานทำทุกคนต่างก็มีอุดมการเหมือนกันคือก่อนสอบจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไปได้ทุกที่จะหนักจะยากแค่ไหนก็ทำได้อดทนได้มีอุดมการในความซื่อสัตย์สุจริตสูงมาก